พุทธธรรมจะบับหับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่9หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานสมเด็จพระพุทธโกษ า, าจารย์ปออปยุตโตเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมและฟังขึ้นไปตามลำดับจะดีที่สุดนะครับสำหรับบทนี้จะเป็นการอธิบายหลักสาคัญในการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งอ้างอิงจากพุทธพจน์ประกอบไปด้วย 1. ห, หลักทั่วไป 2. หลักสมถะที่เป็นฐาน 3. หลักวิปัสนาที่เป็นมาตรฐานการพิจารณาธรรมหมวดต่างๆความต่างของพระอริยะแต่และระดับสรุปหลักปฏิบัติตามในยยแห่งคำภีวิสุทธิมรรคระดับศีลระดับสมาธิและระดับปัญญาบันทึกิพิเศษท้ายบท 1. เกี่ยวกับคำว่าบรรลุนิพพาน 2. ในฌานเจริญวิปัสนาหรือบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ 3. เดวะสัญญาณาสัญญาัตนะใช้ทำวิปัสนาได้หรือไม่ 4. ขนาด จ, จิตที่บรรลุมรรคผลและอื่นๆจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่55อ่านโดยอริยคุณชมรผลดีจัดทำโดยเช้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตณภพัฒสกุลนมขาสิริรัตน์ใหม่สุวรรณ เจ้ภาพรองคุณแม่กาดจำนานปันอภิร use, ัตคราวสนนำอ้อยเซเมอร์รอบรัว อ, อิมวงศรียานินเวียงเกตชุมพลสกุลร่มโพชัยชนรมคงพิริยาพุทธรอบรัวทรงพลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง